วันนี้การที่ยืนสบายเข้านาหนาแล้วจะปล่อยฝนต้นหนาวต้องระมัดระวังระวังกายเกอดโรคไปตเจียอากาศ เ, เปลี่ยนแปลง เรืงการสังเารมันเป็นไปต <c oughs> มามอะไรเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเราก็เกิดเองเป็นเองแล้วก็ดมดวงอยู่อย่างนั้นหลยวันพันปีเข้าก็อยู่เข้าอยู่อย่างนัน <c oughs> เมีมก่ธรรมชาติวันนี้พวกเราได้ จะริ่มพุทธมันเต็มส่วนหนึ่น่าจะเป็นชั่วโมงนึงปริราณส่วนหนึ่งส่วนันมันก็ดีอย่างไรก็ทำให้จิตเรารวมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนงเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์อันเดียว การสวดมนต์ท่านเปรียบก็เปรียบไป้ฟังอยู่เสมอว่า <c oughs> <c oughs> การสวมดมนต์หรือเจริญพุทธมนต์ก็เหมือนกยาทาส่วนภาวนาเหมือนยากิน <c oughs> ยาทาก็แปลว่ามันก็ดีมันก็แก้ได้ในระับหนึ่งแต่มันไม่ได้เข้าไปถึงข้างใน ไม่ได้จเพียนข้างนอกเห <c oughs> มืนอนยาทาทั้งหลายยาทาแฝนไปก่อนว่าทาโรคไปแค่ทางกายบางอย่างถ้าเราเจริญมุตตะมลจิตเป็นสมาธิก็จะมารักษาได้ในระดับหนึ่งคือก็าจากจิตนั่นเองไม่ได้ก็จะกกายก็จะพลังจิตมันรักษาได้ ส่วภาวนาเม่อเปลี่ยนสัญญากากินคือกินเข้าไปข้างในเกิดจากข้างใน <c oughs> ก็เกิดจิตใจมันเองนั้นอะไรอย่งร่างกายเราป่วยแต่ทัาใจเราไม่ป่วยเราไ ม, มอยู่ได้ถ้ากายก็ป่วยใจก็ป่วยนะั่นลำบาก <c oughs> อยู่ไม่ได้นั้นหลับในการภาวนาจริงๆก็คือต้องการ ให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นสังเกตเจคำว่ารู้ก็คือต้องการให้จิตของเรานะี่ยมีวิจารมันม่มีใจทีเรียกรู้ความรู้ซึ่งตร ง, งข้างๆัอความไม่รู้ก็คืออาวิชา ดังนั้นถ้าจะเปรียบง่ายๆเหมือนกับสมัยเราตอนเด็กๆก็คืออวิชาคือไม่รู้อะไรเลยว่า อ, อาจารย์ก็จับมาฝึกมาอัดมาเขียนตั้งแต่เริ่มต้นก็ใครขอใครละอาจนผสมประกอบกันสุดท้ายก็อ่านได้บูร่านได้คล่องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีครูอาจารย์มาบอก ถ้ายังไม่ได้เห็นกับบางคนทื่จับมือเขียนก็ใครเขียนไม่ได้เริ่มต้นอย่างนี้ตรงนี้แล้วก็จบลงตรงนี้อนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเราไม่เคยเขียนไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนก็ทําไม่เป็นถึงแม้เห็นเห็นกระจูก็อ่านไม่ได้นั่นก็ะเปลวแสดงเราไม่มีวิชาคือไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้น จิตของเรานั้นก็เหมือนกันต้องการฝึกใหจิตของเรานังมีวิชาอรานั้นจะเปรียบเทียบไปฟังง่ายๆเป็นวิชาพื้นฐานในการทํานินจิตใน่ันแนวความคิดในชีวิตประจําวันเมื่อกี้เราพูดถึงการเขียนมันก็มีองค์ประกอบคือกระดาษกระดาษที่จะเขียนถ้าเป็นกระดาษว่างเปล่าคือกระดาษธรรมดาธรรมดานะ อุปกรณ์อย่างก็คือปากการกระด้ดินสอก็ได้ด้วยวัตถุอื่นก็ได้ที่มันจะออกมาเป็นสีทําไมต้องบอกเป็นกระดาษเปล่าถ้าเป็นกระดาษสกปรกติ่มไปรเรื่อยตัวหนังสือแล้วเขียนแล้าจะอ่านยังไงมันอ่นานยากพูดยังไงคือมันแก้ยากดัะนั้นกระดาษเปล่าเนี้ เมื่อเราเขียนไปแล้วมันเกือบเสมือนอนดีตของพวกเราก็ไปว่าทําแล้วเพราะนั้นอนดีตของเรามันก็คือกระดาษเปล่าๆธรรมดาแต่ว่าผ่านการเขียนแล้วผ่านการเขียนแล้วเราเรียกสิ่งนั้นว่าอดีตเพราะนั้นถ้าจิตของเราจมอยู่กับอดีตสิ่งที่ท เ, เขียนมาแล้วอดีตแต่ละคน สี่สิบห้าสิบปีนั่นคืออดีตไม่รู้ว่าเขียนอะไรไว้สารพัดไม่รู้ว่าบันทึกอะไรไว้ในนั้นสารพัดจนเรานึกไม่ออกเรเขียนอะไรไว้นั่นคือจุดวันนั้นมันบอกว่าคดีมันผ่านไปแล้วมันล่วงไปแล้วมันพ้นไปแล้วจะกลับมาเขียนอีกไม่ได้มันจบไปแล้วเหมือนหนังสือหนังสาอที่เราแต่งเป็นเล่มเขียนเป็นเล่มเป็นวาวเป็นเล่มแล้วเอาเขียนทับลงไปไม่ได้ไม่มีกติกา มีเป็ น, นที่เขียนทับลงอันนี้คือธรรมะที่เราเห็นในชีวิตประจวันนั่นคื อ, อดีส่วนอนาคตกระดาษเปล่าๆยังไม่ได้ทาอะไรเลยยังไม่ได้คีดยังไม่ได้เขียนก็ เ, เหมือนกับหน้าต่อไปซึ่งเราไม่ได้บันทึกอะไรเลยยังไม่ได้คีดยังไม่ได้เขียนส่วนหน้าที่เป็นปัจจุบันก็คือปัจจุบัน <c oughs> เราสามารถที่จะขีด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 บุญโถหายใจเข้าโปรดาจใจออกโถแล้วก็ลมกํากับคือให้ก่อนอื่นให้นึกในก่อนนั่นคือบุญโถต่อมคือตัวรู้กํากับสุดท้ายก็คือเราหายใจตามไปสามอย่างนั่มันสมรู้คีรันเป็นอันเดียวกันคือเป็นเรื่องเดียวกันคุณทำงานไม่ใช่ว่าหายใจอย่างที่เราหายใจเข้าหายออกแล้วอล้วเวานึกก็นึกนึกอะไรก็มารู้ซึ่งไม่ใช่บุญโถ ซึ่งธรรมชาติของคนมานก็นึกคิดปรุงแต่งอยู่แล้วตามปกตินั่นก็คือเขียนอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็นึกแล้วนี่ความนึกเรื่องเราไม่มีความรู้กํากับลงไปมาเรานึกอะไรก็ไม่รู้สเปเฮระร้อยเปพันอ ย, อย่างอยู่ในนั้นมันไม่เป็นประบบอันนั้นให้นึกถึงพุทโธคือกํากับเข้าไปตามในความรู้คือรู้ตัวนั่นก็คือสตินั่นเองแต่เราพูดคำว่าสตินะ มันเอาธรรมดานั้นท้าแท้ว่ารู้ตัวรู้ตัวกับก็คือนึกถึงลมแล้วก็แต่งลมของเราตอนที่มันหายใจเข้าเสีซึ่งมันมีอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแต่ดูลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็หายใจปกติธรรมดาทั้งเราแล้วคุณดูสังเกตว่าลมหายใจยากก็ให้รู้หายใจละเอียดก็ให้รู้หายใจอ่านกลางก็รู้ที่นี่แต่งลม แต่งก็คือเรานึกใช้ที่สมัณสัมเนตของเราแหละหายใจในใจสบายเพื่อหายใจขนาดไหนสั้นขนาดไหนยาวขนาดไหนยากขนาดละเอียดขนาดไหนแล้วก็ดูโดยกับกับกับผู้ตัวผู้ตัวเข้าไปนี่คือการเขียนหรือว่าบันทึกจากนั้นก็เป็นการบันทึกมันคือเขียนนั่นเองบนกระดาษเปล่าแบบนี้สังเกตดูจิตโดยความรู้สึกทุกคิดปรุงแต่งในขนาดนั้น มันนึกอะไรถ้าบอกวันนึกดูคิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีแปลว่าขณะนั้นจิตเราเขียนสิ่งที่ไม่ดีลงบนกระดาษเปล่าขณะเดียวกันถ้าจิตมันรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็แปลว่าขณะนั้นเราบันทึกขีดเขียนในสิ่งที่ดีลงบนกระดาษเปล่าคือจิต ว่าก่อนนั้นต้องทำจิตให้มันว่างก่อนในี่ยสคัญตรงนี้เขาจะบอกว่าการภาวนาไม่จําเป็นต้นใช้ปัญญาใช่ไหมเขาพูดกันไปกดเมื่อกระดาษมันไม่ว่างกระดาษมันมีของกดาษเปล่าเราจะบันทึกมันก็เขียนได้ไม่เขียนไม่ได้กระเพราบ้านคิดได้พิจารณาได้แต่ว่ากระดาษมันไม่ได้ว่างคือจิตมันไม่ว่างอยาสัญญาอารมณ์ทั้งหมดที่มันมีอยู่จากอดีตอดีจากอนาคตอดีซึ่งมันไม่ได้เป็นปัจจุบัน มันก็เขียนสไปรห์ละซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วอืเพราะฉะนั้นทําจิตให้ว่างคือทำก ร, รดาษให้มันว่างเขียนบนกระดาษให้ม ว, ว, ว่างเปล่ า, ล า, ล า, ล า, ลาจิตนั้นกระนั้นมันมันจะเขียนอะไรก็ให้เรารู้คือสตินี่คือตัวรู้ข้างแรกคือนึก <c oughs> <c oughs> นึกก็แปลว่าเหมือนเราจะเขียนว่าตัวกไก่ตัวกไก่เป็นยังไงตัวกไก่ถ้าผ่านการฝึกกันหัดกันเขียนมาก่อนแล้วเราจะรู้ทันที อันนี้คือเรื่องนึสัญญาธรรมด้รรมาแต่ละต่อไปรู้รู้คือในขณะที่เขียนแครู้นี่คือกอไก่ไม่ใช่ไปเขียนตัวอื่นอย่างนี้ลึกสติการบดิสติเหมือนกันเวลาเราคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามท่านนึกในสิง่งดีก็แปลขณะนั้นเราบันทึกสิ่งดีลงไปนึกแต่ของไม่ดีเราก็บรรจุของไม่ดีลงไปทีนี้ของสอ ง, อ ย, งอย่างมันก็จะอยู่ในกระดาษ ที่เราบันทึกเอาไว้ที่เราเขียนเอาไว้ก็คือจิตนั่นเองนั้นสิ่งที่เราเขียนงันเลก็จะบอกเป็นวิชาก็คือความรู้เป็นความรู้เป็นมีนสติแต่นี้ถ้าเราทํานบ่อยในชีวิตประจำวันคือฝึกบ่อยๆในทุกอริยบทก็คื อ, อยืนเดินนั่งเว้นการนอนเพราะการนอนใช้ได้ปวดน้อย คือใช้อย่างนี้ให้เป็นวิชาคือให้เป็นความรู้บ่อยๆสุดท้ายสิ่งที่ทำบ่อยๆสิ่งที่เราประจําเรียกว่าบันทึกนีเป็นประจามันจะเป็นจาระนะคือความประพฤติก็คือการกระทําของเรานเองการประพฤตินี่จะกลายเป็นนิสัยติดตัวไปในที่สุดทีนี้ถ้าเราประพฤติดีมันก็เป็นนิสัยดีถ้าประพฤติไม่ดีมันก็ปเป็นนิสัยไม่ดีนั่นก็แไปว่านึกคิดปรุงแต่งอะไรให้เป็นที่ดีมันก็จะติดตัวติดกายติดใจของเราไป เคยพูดด <là> ูเสมอสิ่งเหล่านี้เราไป็นคนเขียนเองนะคิดดีเราก็บันทึกเองคิดไม่ดีเราก็ทึกเองเพราะนั้นทําให้มันก็ว่างๆกลางๆเอาไว้อืทำจิตใจสงบกลางเราก็จะเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีให้ตัดทิ้งอารมณ์เหลนั้นเช่นเรารู้ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีต มันผ่านไปแล้วมันร่วงไปแล้วมันเป็นหนังสือที่เขาพิมพ์ออกมาแล้วเป็นกระดาษที่เราบันทึกเขียนเขียนลงไปแล้วก็ทิ้งเอาไปอนาคตยังมาถึงยังไม่ต้องไปพูดถึงเอาปัจจุบันให้ตัดออกหรือ ว, ว่าลืมอดีตเป็นอนาคตแล้วก็ให้กำหนดจะเป็นปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบั น, นธรรมคือธรรมะที่เป็นอยู่ในขณะนั้น อันนี้คือธรรมะจริงๆคือมันทรงอยู่ปรากฏอยู่ดำรงอยู่ในขณะนั้นที่ เ, เรนอารมณ์นี้เป็นปัจจัยบานพิจารณาต่มันเป็นอะไรอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแล้วหาเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นว่าดีอารมณ์ดีมันมาอย่างไงอารมณ์ไม่ดีเกิดจากอะไรซึ่งธรรมชาติของคนมนุษย์ทั่ไปแล้วไม่กระเด็ดนได้เราอารมณ์เสีย ก็แบ่งนึกออกมันอารมณ์เสียมาจากอะไรเสียเพราะอะไรเราจะแก้ไขรยังไงไม่มีอารมณ์ดีก็เช่นเดียวกันดีมาจากไหนดีมันอยู่ยังไงแล้วมันจะดับไปเกิดขึ้นยังไงมันจะต่อไปยังไงก็ไม่ได้นี่สำหรับคนท็่ไม่เคยฝึกบริหักมันก็จะอยู่อย่างนี้ในชีวิตประจําวันเราก็ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสุดท้ายเครื่องนี้มันก็บันทึกตลอดคือตัวเราเองบันทึกตัวเองเรา บันกคือการกระทำเรียกว่ากรรมนี่คือกรรมเรียกว่าการกระทำของตัวเราเองเรานี่แหละเป็นคนบันทึกเพราะเราเป็นคนจดเองเขียนเองบันึกเองแต่เพือเหนว่าตัวเองเขียนตลอดทุกวันทุกวันแล้วไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านสิ่งที่เราเขียนคือสิ่งที่เรานึกคิดปรุงแต่งที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นเป็นเขียนดีหรือเขียนไม่ดีเราไม่เคยเขียน เราะฉะนั้นเกีเ่ยวกันการหนังสือคนที่แต่งหนังสือก็ไม่ไมค่อยอ่านแต่คนที่มันได้แต่งะส่วนมากจะเป็นคนอ่านเหมือนกันโดยการชีวิตและความเป็นจริงของเราเราจะไม่ค่อยอ่านตัว เ, เองแต่เราจะอ่านคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักหมดคนนั้นคนนี้คนนู้นสูงต่ำํามคาดีชั่วยังไงรู้จักหมดเพราะเราไปอ่านแต่คนอื่นแต่ตัวเราเราไม่อ่านนั่นใช่ไหม โอวพระิโนกน้อมเข้ามามือความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันดัะแก้ไขปรับปรุงทันทีให้เป็นปัจจุบันอย่าไปอ่านทุนอย่นอย่าไปดูทุกอย่ามันก็ได้ประโยชน์อะไรดูตัวเราเองเคยพูดอยู่เสมอว่านงสสุที่ดีที่สุดห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดคือตัวเราบ้านตำราที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในตัวเรา ม, มีทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่มีแต่เพื่อเราไม่ศึกษา เราไม่อ่านตัวเราเองเราจึงไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองไม่รู้จักตัวตนคือมันรู้จักพฤติกรรมที่มันแสดงออกว่ามันมายังไงอยู่ยังไงแล้วจะไปยังไงก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงบันดาลมาดียังไงแล้วมันจะดับไปยังไงสุนท้ายเราเก็บหาไม่ได้คือเก็บหาตัวเองไม่ได้สุดท้ายมันก็เป็นซ้ำๆสักๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของพวกเรามีนั้นธรรมะ ในภาคปฏิบัติจริงๆก็คือให้เราใช้สติปัญญาที่เป็นอารมณ์ที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงหรือว่าความคิดการพูดการกระทำของตัวเรามันเป็นยังไงเอเปลนนเนาะ้อลองเพลงเลย นอ น, อนอนก่อนนอน่นนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนภาวนาอ่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนอนนอนนอนอนนอนภาวนาก่อนอื นอนนอนนอนนอนนอน น, อนธรรมดาไม่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องนเด็กจิตเราก็ก็จเป็นอย่างเนี้ยมันอนเราสมารถธิเอาเป็นธรรมะมาได้แต่ว่า <c oughs> เด็ก ค, คือจิตที่ยังไม่ได้รับรู้อะไรมากมายไม่ได้รู้สึกไม่คิดปรุงแต่งเหมืับผู้ใหญ่คือไม่มีสัญญาอารมณ์มากเหมือนกับพวกเราสัญญาก็อย่างน้อยอยู่ สัญญาในรูปในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสปรภาควมรู้สึกเาย่ง น, ยน้อยกว่าเรามากที่แต่งพวกเราเราก็ถูกรูปเวทนาสัญญ า, า, า, าสังขารวิญญาณหรือว่าสัญญาอารมณ์อันนี้กระทบมาตั้งแต่ติดเด็เหมือนเด็กขนาด น, นี้เป็นตัวเด็ขนาดนี้เขายัางเขียนอะไรยังไม่ได้ต้องอาศัยอยู่เองนี่พวกเราก็เหมือนกันในวินาที่เขา ในสติปัญญาอย่างน้อยอยู่จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้เป็นผู้นะเป็นผู้นําเราก็เป็นผู้ตามที่ดีในขณะที่การท่านชี้แล้วแนะแล้วนําแล้วเราต้องเดินตามนะถ้าปล่อยท่านนํำมืเดียวแล้วเราไม่เดินตามไม่รู้อะไรเป็นอะไรสุดท้ายท่านก็จะไปบ อ, องท่านเดินกันซึ่งคราอาจารย์ท่านก็ไปดีทุกอบดูท่านอยู่แล้วหลือต่ผู้ตามอย่างพวกเรา เป็นผู้ตามกิติหรือหม่แล้วมาดูลงทางปฏิบัติจริงๆคิดหรือผู้ดงกับอ่านหนังสืออ่านหนังสือจริงๆแล้วหนังสือทุกเรื่องทุกเรื่อ ง, องมันเท่าอ่านแล้วมันจะเกิดปัญญาเกิดความรู้เรื่องวิชาหนังสเองหนังสือเลื่องใดก็ตามถ้าผ่านการเรียนรู้ผ่านการอาร่านมาแล้วมันจะง่ายพอเหลยเห็นปุ๊บจะปุ๊บเอาเราจะมองออกข้ในกีติดูเออเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงเริ่มต้นยังไง เนื้อหานัไรแล้วจะจบคือสรุปยังไงเนื้นอหาสาระอันนั้นเหมือนกันชีวิตกลางบเราก็เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องใดก็ตามถ้าผ่านการกันกรองพิจารณาอย่างเราเข้าทวนดีแล้วเราจะเข้าใจในเรื่องร้านั้นอย่างลึกซึ้งก็แปลว่าถ้ามันมากระทบเรื่องปฏิฆะหรือผัสสะขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้เกิดเวทนาเราก็จะรู้ทันทีรู้ตรงนี้หมายถึงรู้เท่าทัาน เช่นในขณะนี้เมื่อเรานั่งไป ад, นานๆมันเกิดเวทนาขึ้นมาอาจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามคือสุขทุกข์นั่นแหละหรือว่าอุเปกขาเวทนาคือเฉยๆเป็นกลางก็ตามจิตจะเป็นติดจะเป็นคล่อในสิ่งเหล่านั้นให้รู้ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นคือมันทุกข์มันลำบากมันนั่งมันจะแข่งขาปวดแข่งปวดคาคือให้รู้ว่านี่คือทุกขเวทนาเราพิจารณาแล้วก็อ่านแล้วมัดจบแล้ว สุดท้ายเวทนานั้นมันก็จะดับไปโดยอัตโนมัติของมันแต่ว่าจะใช้เวลาเท่าไร่กแล้วแต่คนแล้วแต่ท่านเห็นถ้าจิตเราไม่คล่องอยู่ตรงนั้นมันก็ไปทางอื่นคือคิดอย่างอื่นต่อในตรงกลางถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนก็ อ, อยู่กับเวทนาโอ้มันยิ่งเจ็บยิ่งปดนะครับอีกเหมือนกับคำบรรยูที่เราใช้อย่างเช่นเรื่องเหล่านี้ถ้าผ่านการฝึกหารพิจารณาอย่างดีถี่ทวนแล้ว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 มัาถึงกิยาอาการคำพูดคำจาอื่นๆไม่ชอบนิสัยอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่เคยพิจารณาแล้วเราเราไม่ชอบเราพออะไรอย่างนี้แล้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันความรู้สึกอะไนี้มันไม่ไดับซึ่งมันผิดปกติมันผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วเกิดตั้งอยู่แล้วต้องดับอันนี้คือธรรมชาติตามคันร้องของเขาหรือว่ากระบวนการกรับกระบวนการดับทุกข์เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วกับใครก็ตามอารมณ์เหล่ า, านี้ถ้าเรารู้ตั้งแว่าอืมอันนี้การเกิดขึ้นดำรงอยู่สุดท้ายก็จะดำแต่ถ้าเราไปต่อแย่หรือไปต่ออารมณนะ์เหล่านั้นถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่าต่ออายุราชการเกษียณแล้วยังไม่พอนะมันจะหมดแล้วจะเกษียณแล้วก็ไม่ต้องทํางานแล้วไปต่ออายุราชการคือมันสุกมันจะหมดไปแล้วไปต่อเพือีก คือไปต่อความยาสาความยืดมันทุกข์ก็ทุกข์มากอยู่แล้วทุกข์ของตัวเองมันก็มากพออยู่แล้วมไม่ดูเป็นดูทุกข์ของคนอื่นอีกนั่นเรียกว่าต่ออยู่ราชการของตัวเองมันก็ทุกข์นั่นก็ยาวมันไม่จบมันไม่จบก็แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับเมื่อไม่ดับแล้วใครเดือดร้อนเราสิาเราก็เดือดร้อนอเอมทั้งหมดเนี่ยเป็นการบันทึกขั้นตอนวิธีการทําให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนจริงๆว่าเออ ไอความชอบความไม่ชอบความสุขความทุกข์ <c oughs> หรือว่ามันเฉยๆนะขั้นตอนก็มันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งด้วยไงมันดับไปไงตอนนั้นมันจะใช้ได้กับทุกเรื่องอย่างนี้เรียกว่าคนมีธรรมคนมีธรรมก่อนนั้นเรียกว่าคนรู้ธรรมเช่นเรารู้จักความโกรธเราก็รู้หมด <c oughs> มีใครที่ไม่รู้ความโกรธรรมะเรารู้หมดธรรมะข่อไหนดีกนะ่าไห่อเสียเรารู้หมด แต่ว่ามีธรรมะเอาคนเรื่องอืเพราะฉะนั้นภาคเช้าผบอกว่าคนที่มีธรรม ะ, ะเอาคนที่รู้ธรรมะคนเรื่องคนที่มีธรรมะหรือธรรมะเกิดขึ้นแล้วถูงแม้คนนั้นจะตายไปแล้ว ก, ก็ไม่กลับมาเกิดอีกอถ้าธรรมะเกิดขึ้นจริงๆเป็นตรงก้ามถ้าธรรมะไม่เกิดแม้แต่คนมันจะเกิดขึ้นอีกมันก็ตายอีก เ, เกิดแล้ตายตายแล้วเกิดเพราะว่าธรรมะมันไม่เกิดตรงกลางธรรมะถ้าเกิดแล้วมันจะไม่ตายอีกตายแล้วไม่ใช่ไหมมาเกิดขึ้นเราพวกเราอีก มันรรมะขั้นสูงเป็นอย่างนั้นเหมือนครูบาอาจารย์ครับพู้ท่าท่านหมดท่านคนท่านจบแล้วท่านไม่กลับมาอีกวนเวียนไปเป ม, มาของเราเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ท่านอ่านจบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําไม่มีเราไปดูในธรรมบัญญที่เราสวดเมื่อกี้นะีถ้าเป็นภาษาไทยเราไปอ่านดูเป็นภาพภาษาไทยจะลงท้ายอย่างนี้กิจอื่นที่ต้องทําอีกไม่มีแล้ว ดังนี้จะเรียกท่านผู้นี้ว่าเป็นคนที่พ้นจากทุกข์คืออยู่เหนือทุกข์ขึ้จิตอยู่เหนือสิ่เหล่านี้ซึ่งต่างกับผูเราทั้งหลายจิตยังอยู่ใต้อยู่ยังอยู่อยู่ใต้กับสุขยังอยู่ใต้กับทุกข์ยังอยู่กับเฉยๆมันว่าอารมณอันนี้ไม่ได้ซึ ต, ต่างกับผู้ไปแล้วผู้ไปแล้วนั้นตใจมันต้องเบาจิตต้องเบาต้องไม่เอาอะไรเหมือนพู้เราตั้งขนาดใดก็ตามถ้าแบบเราแบกร่องห้ามอะไรมันจะหนัก การเดินการเขินการสัญจรไปมามันก็หนักมันก็ลําบากเหมือนกับพวกเราที่แบกอยู่ในกระดานนี้แบกอะไรก็แบกธาตุสี่ขันห้า 5, อันนี้อยู่มันก็หนักนะส่วนตรงกันข้ามกับท่านที่ท่านไม่แบกท่านรู้ว่าขันห้าหรือธาตุสี่อันนี้เป็นภาระเป็นค้อมหนักท่านก็วางคือจิตวางจากสิ่งเหล่านี้ คือจิตมันวางสิ่งเหล่านี้แจ่มแจ่มันก็จะไปได้เพราะนั้นเบื้องต้นจิตที่จะวางสิ่งนั้นก็คือสักกายทิฏฐิคือการตัวตนของเราเนี่ยคือรูปกรกายของเราเพราะนั้นเบื้องต้นเราไม่อ่านตัวตนของเราเลยนั่นก็แปลว่าอะไรเราไม่ได้อ่านเลยบทเริ่มต้นกับบทแรกหน้าแรกๆเราไม่เคยอ่านเลยจะไปอ่านตอนไหนอ่านตอนกลางๆอ่านตอนจบเหมือนดูหนังตอนจบ เราไม่รู้เริ่มต้นเป็นยังไงไหมเราจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราอ่านเรื่องนี้ตจนจบเราจะเข้าใจว่ากายคือรูปกับนามกิจการกับใจอันนี้เริ่มต้นคนกจะละตอนปล่อยวางหมายถึงอารมณ์ทั้งหมดก็เริ่มต้นจากการดูรูปร่างกายธาตุสีฐานะคือรูปวิริยนาชสัญญาสัญญาณรูปเสียงที่รูปธระของเราอย่างแท้จึง มาให้ติดในสิ่งเหล่านี้คือใจจิตมาให้ติดในสิ่งเหล่านี้หรือมันเติดอยู่ก็ให้ติดมันน้อยลงอย่าไปติดมากติดจะน้อยคนที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆคือสกฤติทีเป็นพิจิตรฉาสิรุปัตตประมานี่คือบันไดลขั้นแรกมันนั้ น, นตัณยากลตัณยะที่เราสวดไปเมื่อกนะี้เนี่ยทำมาจากกับวัฒนสูตรถ้าจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัส เทตนาจบท่านเข้าใจโอมได้เข้าใจทันทีว่า <c oughs> สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นต่างๆแปลภาษาเราง่ายคือมันเกิดแล้วมันต้องดับในทุกเรื่องทุกอย่างต้นไม้วูเขาแล้วก็อาสัยพนะือื่นๆอะไรก็แล้วแต่วัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในข้อหรือรกฎเกณฑ์อันนี้ท่นเข้าใจให้มาทัานที แม้แต่รูปร่างกายที่มีอยู่อันนี้ก็อยู่ในลักษณะกฎเกณฑ์อันเดียวกันก็คือเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาก็คือทั่วไปทั่วไปเรื่องธรรมดาพื้นๆสิ่งนั้นทั้งปูนหรือทั้งหมดไม่เป็นย่อมีความดับไปธรรมดานั้นเ่็นไหมพราะสุดท้าแล้วท่านก็จะรู้ว่าการเกิดการดับเป็น จิตก็จะให้รู้ให้ดูแค่การเกิดกับการดับท่านให้เองอะไรมันเกิดอะไรมันดับมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างนี้คือจิตของเราเคยบอกว่าจิตมันมันเคยสงบมันเกิดมันดับมันเกิดัดับอยู่นี่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราไม่เคยเป็นที่พิจาณาสิ่งเหล่านี้คือดึงความรู้สึกอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดแล้วมันทําให้เราเดือดร้อนขนาดไหนเราไม่เคยรู้เพราะอะไร ก็เพราะว่าย้อนกลับมาที่เดิมคือเราไม่อ่าน น, นั่งหนังสือเล่มนี้ติดตัวอยู่เราตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เปิดอ่านเลยพกไปนในกระเป๋าอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดความรู้ไหมมันจะเกิดประโยชน์ไหมมันจะเป็นประโยชน์มัหมไม่เป็นประโยชน์เลยเพกหนังสือดีๆที่สุดในโลกอยู่กับตัวตลอดเวลาแต่ไม่อ่านดูเหมือนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับอาหารอร่อยอร่อ ย, ออยตั้งบนโต๊ะเต็มไปหมดแต่ไม่กินนะ แต่แต่นั่งมองมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย น, นัน้นกันนังสือคือธรรมะคืออาหารใจอันนี้ถ้าเราไดา้แต่ิ่ได้แต่ฟังแต่ไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่กินไม่บริโภคไม่ฉันกันเข้าไปธรรมะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจเลยมอเกิดสัตว์แต่ว่าเป็นธรรมะแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นธรรมะในภาคปฏิบัติจริงๆคืออย่ากให้พูเราทั้งหลายแต่มาสำรุจจู่ตา ดูตัวเราเองใหมากที่สุดเที่มากได้จะไปคิดเลยว่าอนาคตมันจะอยู่ขนาดไหนเพราะเป็นกระดาษเปล่าๆหรืออดีตมันเป็นยังไงมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเลยมาแล้วอย่าเป็นดึงกับกับไม่เออกันเป็นประโยชน์ถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วมันเสียมันก็เสียไปแล้วเกิดเปรียบเทียบให้ฟังดูเสมอว่าเหมือนข้าปลาอาหารที่เรากินเข้าไปที่เรากินเข้าไปมันเป็นอาหารหรืออาหารกาย มันเป็นธรรมะชั้นยอดจริงๆอย่าให้เราพิจารณาทุกครั้งในขณะที่เราบริโภคอกินเพื่อฝึกสติในขณะที่กินอาหารในก่อนเอานะพิจารณานี่คือเป็นที่มาว่ากุลาพระท่านฉันพระตาอานท่านบอกให้พิจารณาก่อนไหมโบราณท่านบอกให้ปฏิสังขารโยชฌัญญาวันนั้นให้ไปสวดเลยให้สวดทุกวันแต่นั่นก็เป็นไม่แค่คํามสวดบางท่านมาองค์ก็ไม่รู้จักความหมาย อันนี้คือคือคําอธิบายในมุ่งต้นว่าคําสวดนี่ถ้าเป็นยาทาส่วนภาวนานเป็นยา ก, กินไมไ่เข้าไปข้างในไม่เป็นไรพิจารณาก่อนมุ่งต้นคืออาหารข้าวบาก่อนที่จะกินนยะพิจารณานิดนึงว่ามันมาที่มาอย่างไงมันอยู่ตรงนี้อย่างไงแล้วมันจะไปอย่างไงแต่เราใช่อย่างนี้ยไม่คือหลักภาวนานจริงๆต่อไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่อง มันก็อยู่ในวงจํากัดอย่างเนี้ทุกเรื่องด้วยอารมณ์ที่เราชอบกับตามไม่ชอบกับตามมันก็อยู่อย่างนี้ชอบมันก็อยู่ได้ไม่นานไม่ชอบมันก็อยู่ได้ไม่นานคือมันไม่ท้าวโนไม่จะอยู่ตลอดไปจะเรียกว่าอ่านิตจังคือมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกเรื่องแม้แต่อารมณ์เรามันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์คือปลายทางของมันคือทุกข์คือผลของมัน แล้ <c oughs> พิจารณาพูดถึงพิจ า, ารณาอ่านว่าทเป็นธรรมชั้ันยอดได้อย่างไรคนอื่นนั่งพิจารณาอาหารที่อยู่บนโต๊อาหารที่อบนถาดอาหารที่อยู่ในบาทพิจารณาเดียวมันมันมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างมีอะไรที่เราไม่เคยฉันเลยไม่เคยกินเลยไม่เคยบริโภคมีแกงอะไรบ้างตามแกงเนื้อสิ่งสาระสัตว์ที่มีอยู่มีอะไรที่ไม่เคยกิน ไม่มีมันก็มีของเดิมเหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะสอบประโ้กว่าปีมานี้มันไม่มีอะรเกิดขึ้นใหม่ๆเลยมันของเดิมๆมันของเก่าๆแต่ว่าเราลืมของเก่าไม่ได้นพิจารณาเพราะนั้นพิจารณาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก่อนก่อนที่จะกินอาหารบิโภ๊อาหารพิจารณานี่นึง อาหารเนี่ยครับไม่พิจารณาจดีมันมั น, นทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษทํามากเกินไปไมันจะเป็นโทษนะกินพอดีมันก็เป็นคนุณเอเราพิจารณาดูเหมือนอาหารเขาบอกว่าอร่อยมากแบบถ้ากินเกินประมาณมันดีไหมมันก็อึดอัดอยู่ไม่ได้กินน้อยไปมันเกิดอยู่ไม่ได้มันต้องพอดีคําว่าพอดีใครเป็นคนบอก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 มันมีที่มาอย่างไงมาจากหลายที่หลายทางสิงสาราสัตว์หูเห็ดเป็ดไก่พืชผักสวนครัวสารพัดมารวมอยู่ในจานเดียวกันเห็นไหมอันนี้คืออย่างนี้เหมือนกับอารมณ์ของคนเราสารพัดดีชั่วชอบไม่ชอบชังสารพัดรวมอยู่ด้วยกันแต่เพราะเอิญว่ามันกระจัดกระจายมันไม่รวมคือถ้าจะเป็นจิตเจิตไม่รวมจิตไม่เป็นสมาธินั่นคือจิตกลุ่มสร้างพอมารวมอยู่ในจานในการอ่านเลย มันก็กินได้มันก็บริโภคได้นั่นคือเหมาะจิตก็เหมือนกันในขณะเดียกันถ้าจิตมันรวมอารมณ์สิ่งนะั้นเป็นอารมณ์อันหนึ่ง <c oughs> เรียกว่าเอกาอารมณ์ K K K K K K. เป็นอารมณ์ที่เหมาะในการพิจารณาอัดพิจารณาธทำพิจารณาและมันเป็นอัดเป็นธรรมจริงๆเพราะนั้นเหมือนอาหารที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันรู้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆอากินเข้าไปมันรู้แล้วที่มาที่ไป ไปมาแล้วมันจะมีที่อยู่ที่อยู่คือตัวเราก่อนหน้านั้น ม, มันอร่อยสักพักมันก็จะอยู่ตัวคราเขา อ, อยู่ไปไม่ถึง24ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็จะออกไปแล้วทีนี้เรามาพิจารณาซ้ําอีกที่หนึง่งในขณะที่เข้าห้องน้ําห้องหนักห้องบอาให้พิจารณาด้วยว่าอ๋อก่อนหน้านั้นอะทำไมมันอร่อยพอออกมาทําไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันกลายเป็นครละเรื่อง มื่ท่านได้เรื่องเลือกกันเราก็าจะเกิดสติเมื่อสติมันเกิดมันก็ได้ปัญญาเมื่อเป็นอย่างอเรารู้แล้วตอบ น, นี้ไปการกินไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องสําคัญกินอะไรก็ได้จะมนประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบทั้งห้ามงตุงาา้ยเป็นอาหารไม่จำเป็นจะของเลิอดของรูปของแผลเขาว่าการกินเคยพูดอยู่เสมอ เ, เรากินกินเพื่อให้มันอยู่คือเรียว่าชีวิตแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน แตว่าอยู่เพื่อกินนะชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับการกินตรงไหนอร่อยแสวงหาอะไรอร่อยแสวงหาปรุงแต่ ง, งกันเข้าไปอันนี้อยู่เพื่อกินจืมันไม่ใช่ชีวิตจิตถูกต้องนั้นอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันในวันมันเป็นธรรมะมันให้ธรรมะทุกวันถเราคิดต่ไหนอย่างนี้ทุกวันสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปเขาจะได้บุญด้วยนะไก่ที่มัอยู่บนจานเขาจะได้พลอยได้สมเออเราก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นใช้เป็นเครืมม่องหมายคือ ม, มันเป็นองค์ประกอบ แต่การพิจรารณาชีวิตคนเขาจะได้บุญด้วยนะเสร็จแล้วเมื่อออกจากสมาธิเสร็จแล้ ว, อ, อ, อ, บบลวอย่าลืมแผ่เมตตาให้เขาคนนะั้นคือที่เราแผ่ตกวอ่านตัวนั้เรียว่าสาเปสาตาหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่ทุกคนมั น, มนคําว่าสาเปสาตามันกว้างมันกว้างมากๆหรือเรจะเาเฉพาะจํา ก, กัดคนก็ได้เช่นคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่ตุกชะตามเลย เรือว่าไม่ถูกจเจริญที่ใส่กันเลยแพ่เมตตาเยอะๆแพ่เมตตาให้เขาเพื่ออะไรเพื่อใจเราจะได้เบาจะได้ไม่หนันจะเรียกว่าเป็นคนให้อาภายัยถึงแม้เขาไม่ให้อาภัยไม่เป็นไรให้ตัวเรานะให้เป็นการรู้ใจักให้อาภายัยอย่างนี้เรียกว่าอาภัยทานทานคือการให้อาภายัยฝึกอย่นี้จิตของเราก็นนจะเบาไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันบบามันก็พุ่งไปข้างหน้าไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวัน มันเลิกเป็นประโยชน์อย่าถ้าจริงอาหารนวันนั้นแม้มันจะเน่ามันจะเสียแปลว่าไปแล้วเราสามารถคิดให้เป็นประโยชน์ได้ปรุงใหเเ้เป็นประโยชน์ได้ไดมีท่านผู้รู้เคยพูดไว้ว่าอุจจาระภาษาที่เราหรือคนทั้งหลายมองว่าเป็นของเนา่าของเสียสําหรับคนที่มีปัญญาเข้ามองว่าเป็นทองคําเป็นทองคำได้อย่างไรดูจากสีอุจจาระหรือเปล่า สีปัสสาวะหรือเปล่าไม่ใช่เลยเขาบอกว่าจินเหล่านี้ถ้าเอาไปทำไปแปลรู ป, ปทปําย่านอื่นไปรถผักปลมกไม้สวนครัวมันสา ม, มารถจะแปลเป็นเงินเป็นทองได้อย่างนี้ท่านเรียกว่ามองผู้มีปัญญามองอุจจระเป็นทองคาตรงกันข้ามผู้ที่มีปัญญามองฟองคำหรือว่ใช้ใต่ำคำนะัไม่เป็นประโยชน์บางกรับเป็นโทษบางครัอันตรายถึงชีวิต เราไปห้ยอยคอเรื่องสียสิบบาทแล้วเดินกลางตลาดมันมีคมมุณไหมมีโทษสตางค์เดียวตฉนนั้นเราใช้ชีวิตดูดำรงชีวิตดุดโดยอาศัยสติปัญญาจะแทนทุกอย่างรอบทูเราคในชีวิตปัจจุบันขอประพฤตปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันของเรามองทุกอย่างให้เป็นธรรมะแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เช้าถึงค่าเราเป็นคนจดเป็นคนบันทึกเองก็คือทําคิดดีกับจดดีคิดไม่ดีก็จดไปตามที่มันดีสุดท้ายจิตของเราจะบันทึกสิ่ ง, งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดมันยี่กว่าคอมพิวเตอร์นะจิตของเราที่คอมพิวเตอร์แต่นี้ที่จิตดีเกิดะไข้ อ, ขอเราบันทึกความดี คิดดีพูดดีทำดีในชีวิตประจําวันนั่ที่ค่อนที่ดีในใจตรงกันข้ามถ้าชีวิตรหรือความรู้สึกนึอคิดคุณแต่จงจมอยู่กับความไม่ดีกับของเน่าของเสียมากของไม่ดีก็ไปเราเขียนของไม่ดีอย่าลืมก่อนนอนหลังจากไปพระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วอย่าลืมอ่านอ่านบันทึกในชีวิตประจําวันของพวกเราว่าวันนี้ทั้งวันตั้งแต่6กโมงเ้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็ทํางาน เราได้บันทึกอะไรไว้ให้ไปอ่านย้อนหลังคนอื่นอ่านเราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นเช่นวันนี้ตายก็ทําอะไรไว้ทำดีทําไม่ดีกับใครวหวจ่ า, จาพูดดีพูดไม่ดีไว้กับใครใจคิดดีคิดไม่ดีอะไรเราเท่านั้นที่รู้แล้วตั้งใจตั้งใจใหม่ว่าพรุ่งนี้ ไม่ติพิมารจะไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมีก็จะให้น้อยให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเออมันไม่ดีนะพยายามที่จะล ะ, ปะเปลี่ยนเปลียปลอยที่จะวางทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความคิดการพูด ก, การกระทําอย่างนี้ที่เป็นการบันทึกสิ่งเดียสุดท้ายสิ่งที่มันดีๆมันก็จะไม่มีมันจะกลายเป็นบันทึกเฉพาะในสิ่งที่ด่ดีคนอื่นเข้ามาอ่านเข้ามาอ่านก็ไปว่าเขาพบ ประสบเจอเรามันก็เป็นคนที่น่าดูน่าคิดน่าอ่านน่าศึกษาต้องการข้าม <c oughs> ถ้าเราบันทึกของไม่ดีบันทึกแต่ของเน่าของเสียหมายคว่านิสัยใจคอเยะแย่และใครจะมาอ่านใครจะมาค่ใครจะม า, า, าศึกษาไม่มีเลยมีแต่เขาจะทิ้งเก็บขวางไม่มีใครเอาเลยอันนั้นสิ <c oughs> ่งทั้งหมดนี้เราเนคนบันทึกก็แปลวาเราเลือกที่จะบันทึกอะไรก็ได้ก็ข อ, ขอให้พวกเราตั้งหลายได้บันทึก แต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตประจำวันคือนิสิตเขียนเอาไว้ในจิตเอาไว้ในใจเราก็จะมีในของดีๆในสืเอเล่มนี้ก็จะเต็มไปด้วยสาระเนื้อหาที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังเช่นคูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายท่านเขียนแต่สิ่งที ๆ, ๆ, เงท ๆ, ๆเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามผู้ท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านเป็นนักบันทึกที่ดี ขอขอให้พวกเราทั้งหลายได้ดูเป็นเยี่ยมเป็นจักรแล้วก็เดินตามรอยของท่านอเอาไหนก็ได้ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เอาเยี่ยมเอาอย่างปฏิบัติตามท่านนั้นเราก็เชื่อเป็นผู้เจริญรอยตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าเราเจริญรอยตามพระอยู่อบารของพระองค์แล้วเราก็เชื่อเป็นผู้เดินตามพุทธองค์เป็นผู้ตามในทางที่ดีสำหรับพระธรรมในภาษานี้ก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นกติข้อคิด